บันทึกพิเศษท้ายบทเพื่อความเข้าใจลึกลงไปเฉพาะเรื่องบันทึกที่หนึ่งคำว่าบรรลุนิพพานคำว่าบรรลุนิพพานนี้ใช้ตามที่เห็นว่าเป็นคำคุ้นหูหรือฟังง่ายสำหรับคนทั่วไปแต่ความจริงคำที่ถูกต้องตรงกว่าหรือถือได้ว่าเป็นศัพท์เฉพาะสำหรับกล่าวถึงการบรรลุนิพพานได้แก่คาว่า สัจฉิกิริยาคำพีรุ่นหลังใช้สัจฉิกรณะบ้างรูปกิริยาเป็นสัจฉิกรโรติเป็นต้นซึ่งแปลาตามแบบว่าการทำให้แจ้งแปลาตามอัถกถาว่าการทำให้ประจักษ์หมายถึงประสบเองคำว่าการทำนิพพานให้แจ้ง ฟังดูไม่สูะดวกสำหรับคนทั่วไปจึงเลี่ยงมาใช้คำว่าบรรลุนิพพานแต่ตอนนี้ไปบางทีจะใช้คำว่าการประจักษ์แจ้งนิพพานแทรกไปบ้างเพราะดูเหมือนจะหลีกความเข้าใจผิดได้ดีกว่าคำว่าบรรลุนิพพานส่วนคำว่าบรรลุนั้นตรงกับบาลีว่าอาทิคมะ รูปกิริยาเป็นอธิคัตติเป็นต้นและปฏิรูปกิริยาและคุณนามที่ใช้กับนิพพานคือปัตตะทั้งสองคำนี้พบที่ใช้กับนิพพานหลายแห่งแต่ก็รองลงมาและส่วนมากใช้ในคำร้อยกรองคือคถาในที่นี้ท่านอ้างญิงที่มาไวจำนวนมากนะครับ คำนอกจากนี้มีใช้กับนิพพานเพียงประรารและส่วนมากมาในคำร้อยกรองคือคาถาได้แก่รูปต่างๆของคำกิริยาต่อไปนี้คืออเรเทติให้สำเร็จผุดสติสัมผัสหรือถูกต้องคัชติถึงละปติได้